มีหมาอยู่จําพวกหนึ่งซึ่งสร้างความปวดเสียดเวณก้าวให้กับเจ้าของมากคือเวลาอยู่กับเจ้าของก็น่ารักดีแต่พอเจ้าของทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวมันก็จะอาลวา ด, ก, ดกัดเก้าอี้กัดพรมบางทีก็อึใส่พื้น เรียกว่าทวงความเสียหายมากพอเจ้าของกลับมาก็อดไม่ได้ที่จะต้องดุต้องดา่าแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรพอมันอยู่คนเดียวมันก็เอาอีกก่นะอนนี้เจ้าของก็จะต้องตีตีก็แล้วมันก็เตะ เพราะว่ามันทำความเสียหายมากทั้งตีทั้งเตะมันก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกับว่าได้ใจเจ้าของเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ายิ่งยิ่งดุยิ่งด่ายิ่งลงโทษมันมั น, มนยิ่ง ทำใหญ่ให้ตวแพทย์ที่เขาเป็นผู้รู้เกี่ยวกับ ด, ด้านหมานี่เขาแนะนำว่าวิธีที่ได้ผลก็คือว่าอย่าไปทำอะไรมันไม่ต้องตีไม่ต้องเตะมันไม่ต้องด่าท้่ซ้ำคือแก้งเป็นไม่สนใจมันถ้าไปตีไปเตะ ไปให้ความสนใจมันมันก็ได้ใจเพราหมาประเภทนี้มันต้องการความสนใจมันก็นึกว่าเออพอทำอย่างนี้แล้วได้ความสนใจมันไม่รู้สึกว่าเป็นการลงโทษแต่มันรู้สึกว่าเออเจ้านายให้ความสนใจมันตีมันเตะมันมันยิ่งทำอีกแต่พอเจ้านายนี่ไม่สนใจมันทำเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนลาก็ว่ามันไม่มีตัวตนวิธีนี้จะได้ผลนะอันนี้มันก็แปลกนะแต่จะว่าไปมันก็เอามาใช้ได้กับคนที่เกเลหรือว่าเอามาใช้ได้กับไอความรู้สึกนึกคิดที่เราไม่ชอบก็ได้ ความนึกคิดความรู้สึกอารมณ์ที่เราไม่ชอบหรือการนึกคิดถึงใครบางคนที่เราโกรธเราเกลียดเราสังเกตดูยิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งพยายามผลักมันออกไปจากความคิดพยายามกดข่มมัน มันยิ่งผุดยิ่งโผล่ยิ่งรบกวนจิตใจอะไรที่เราไม่ชอบอยากจะผลักมันออกไปจากจิตใจของเราแล้วมันกลับรบกวนจิตใจเรามากขึ้นเหมือนกับว่าได้ใจลองสังเกตดู เวลาใครบางคนที่เราไม่ชอบมาปรากฏให้เราเห็นทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นที่สาธารณะคนเยอะแยะแต่เราก็จะจดจ่อใส่ใจอยู่กับคนนั้นคนเดียวทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่ชอบก็ยังก็ยิ่งจดจ่อใส่ใจเขาทำอะไรเขาเดินไปไหนเขาพูดกับใคร ตาก็จะจดจอ่อจ้องมองว่าเขาทําอะไรทั้งทั้งที่ยิ่งใส่ใจเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์เห็นเขาพูดเห็นเขาคุยกับใครก็รู้สึกว่าเขากําลังนินทาเราเห็นเขายิ้มเราก็ยิ่งเจ็บปวดพอเราไม่อากใเขามีความสุขแล้วคนเป็นคนเป็นร้อยแต่ว่าเราก็กลับจดจ่ออยู่กับคนคนนั้นทั้งทั้งที่เราไม่ชอบเขา เรายายเขาหายไปจากโลกนี้แต่ว่ายิ่งไม่ชอบยิ่งเกลียดมันก็ยิ่งโผ่ให้เราเห็นต่ำต า, าเคยสังเกตรหรือเปล่ามันก็เหมือนกับหมาเนี่ยนะหมาที่ว่าเนี่ยยิ่งเตะยิ่งตียิ่งดา่ามันยิ่งทานะแต่พอไม่สนใจมัน ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ที่จริงก็รู้ว่านะว่ามันทำอะไรแต่ว่าทำทีไม่สนใจมันมันก็ค่อยๆหายไปหายนิสัยเดิมความรู้สึกนึกคิดที่เราไม่ชอบถ้าเราไปพยายามไปผลักสายกดข่มมันมันยิ่งนะก่อกวนลังควาเรา สังเกไม่เวลาเดินจงกลมสร้างจังหวะเรายิ่งพยายามกดข่มไม่ให้คิดมันก็ยิ่งคิดจริงเรื่องไหนที่เราไม่ชอบเพรก็มันทําให้เราจิตใจว้าวุ่นไม่สงบเราพยายามกดข่มพยายามปฏิเสธมันมันก็ยิ่งโผลยิ่งผุดเหมือนกับว่า เหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งยิ่งห้ามก็ยิ่งยุกยิ่งห้ามก็มันก็ยิ่งยุกยิ่งทําใหญ่นี่เป็นธรรมชาติของใจนะสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราปฏิเสธผลักใสยิ่งทำยิ่งผลักมันก็ยิ่งโผล่เหมือนกับตุ๊กตาลมลุกนะเราผลักมันแรงออกแรงเท่าไหร่ มันก็เพียงกลับมาหาเราเลวเท่านั้นพิธีที่ดีที่สุดคือว่าทําใจเปลี่ยนกลางๆไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแค่รู้เฉยๆรู้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายไปเองยิ่งผลักใส มันก็ยิ่งก่อกวนแต่พอเราเฉยๆนะแค่รู้เฉยๆรู้ด้วใจที่เป็นกลางจะใช้คำว่าอุเบกขาก็ได้คือไม่ยินร้ายกับมั น, นวิธีนี้คือวิธีทำให้มันมันหมดพิษสงลงทำให้มันเชื่องพอเราไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆ ก็ค่อยหายไปมีนักพิาศาสต์คนหนึ่งเก่งมากเนะเป็นคนที่อัจฉริยะแต่ว่าพออายุได้ไม่นานนะสามสิบกว่าได้ก็เกิดปัญหาทางจิตคือเห็นภาพหลอนเห็นคนโน้นเห็นคนนี้แล้วก็บางทีเห็น ว่าหรือปรุงแต่งถึงขั้นว่ามีสายลับมามาหลอกมาชวนให้ไปจารกรรมไปทำงานให้กับรัฐบาลเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อันนี้มันเมื่อสักสี่สิบปีมาแล้วมันเป็นภาพลวงแต่เจ้าตัวนี้คิดเป็นตัวเป็นตาเชื่อเป็นเรื่องจริงแล้วก็เลยทำอะไรแปลก ตอนหลังพอมีคนทักคนทวงมีคนมายืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิ ด, คดเขาก็รู้แล้วว่าตายแล้วมันเป็นเรื่องที่หลอนขึ้นมาเป็นเรื่องที่นึกขึ้นมาเ อ, าเองคราวนี้พอรู้ว่าเป็นภาพหลอนพอเห็นสายรับคนนี้มาก็พยายามจะผลักออกไปพยายามผลักพยายามไล่ แต่ยิ่งไล่มันก็ยิ่งเข้ามาหลอกหลอนมายัว่วมายวนมายุสารพัดจนเจ้าตัวนี้ทนไม่ไหวต้องขับไล่เข้าไปสู้กับมันไปชกต่อยพันตัวกับมันเอาคนก็งงเลยเพราะว่าเอ๊ไปชกลมคนเดียวไปกลิ้งอะไรอยู่คนเดียวในสนามหญ้า ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งผลักยิ่ ง, งไล่ยิ่งสู้ยิ่งปฏิเสธมันมันก็ยิ่งเล่นงานเราหนักขึ้นสุดท้ายก็ต้องไปรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าวิธีที่จะสู้กับมันไม่ใช่สู้ด้วยการขับไล่ผลักใส แต่สู้ด้วยการไม่สนใจภาพหลอนที่เป็นสตที่เป็นสายลับจะมาพูดอะไรฉันไม่สนใจไม่ไล่ด้วยไม่โตเถียงด้วยทีนี้มันภาพหลอนมันก็ยิ่งเอาใหญ่มันก็จะยั่วจะยุพูดจากอกวรด่าว่าบางทีก็เผลอจะไปเล่นเล่นงานมันพอมีสติรู้เอาไม่สนใจ มันก็เอาใหญ่ดูด้าแ่างแต่พอไม่สนใจมันมันก็ยอมแพ้นานๆจะโผล่มาทีก็ไม่สนใจมันสุดท้ายมันก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนี่คือวิธีสู้กับภาพหลอนก็คือไม่สนใจมัน เพียงแต่รู้ว่ามันอยู่มันมีแต่ว่าไม่สนใจนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเดียวการเจริญสตินะความคิดปรุงแต่งหรือความทรงจำในอดีตที่เจ็บปวดที่ทำให้เราโกรธขุนเคือง มันจะคอยมาหลังควานเราหรืออาจจะถึงกับปลอกหลอนถ้าหากว่าเราพยายามไปกดข่มมันพยายามปฏิเสธมันแต่ถ้าเราเพียงแต่รู้เฉยๆว่าเออมันมีแล้วก็ไม่สนใจมันอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างแต่ว่าก็ช่างนี่คือช่างมัน มันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตที่เป็นอนัตตาไม่สามารถควบคุมได้มันไม่ใช่เราหน้าที่ของเราคือว่ารับรู้มันเฉยๆรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆแต่ถ้ารู้ไม่เป็นมันก็จะถลําเข้าไปถล่าเข้าไปพันตู เข้าไปสู้กับมันเราอยากจะสงบแต่ว่ามีความคิดที่มันรบกวนให้ใจไม่สงบก็จะไปสู้จะไปไล่จะไปข่มมันพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดอันนี้ก็ยิ่งเข้าล็อกมันเข้าไปใหญ่มันก็จะได้กำลังยิ่งทำอย่างนี้ก็มันก็ไปเติมเพิ่มกำลังให้กับมัน หรือเติมฟืนเติมเชื้อทำให้ไฟมันแรงขึ้นถ้าเป็นความโกรธเป็นไฟโกรธไฟโทสะยิ่งพียงกดข่มมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งก่อกวนเพราะว่าเรากาลังไปเติมฟืนเติมเชื้อให้มันไม่ต้องทำอะไรมันเพียงแค่ไม่เติมเชื้อให้มันไม่เติมฟืนให้มันมันก็ค่อยมอดดับไปการเทอสติเป็นอย่างนี้ก็คือว่าดูมันเฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายคิดไม่ดีก็ชังมันนะในการรู้มันเฉยๆนี่มันไม่ใช่เพียงแต่จะสู้กับภาพหลอนได้เท่านั้นบางทีเอาไปจัดการกับฝันร้ายก็ได้มีเด็กคนหนึ่ง นอนหลับนอนมักจะฝันร้ายฝันเห็นตัวปีาศาจหลายตัวพอฝันทีไรก็ต้องรีบวิ่งหนีวิ่งหนีออกจากออกจากออกจากห้องออกจากบ้านพอออกจากบ้านก็จะรีบปิดประตูปิดไม่ทันมันก็วิ่งกลวกมาก็ก็วิ่งเข้าไปในบ้าน เข้าไปอีกบ้านอีกหลังหนึ่งจะปิดประตูแม่มันข้ามมันก็ตามเข้ามาวิ่งจนกระทั่งไปเจอผนังวิ่งต่อไม่ได้ตกใจไอปีแสมก็วิ่งเข้ามาติดๆพอชนกับผนังตกใจว่ามันใกล้มาประชิด ต, ตัวก็ ผวาแล้วก็ตื่นขึ้นมานันเป็นอย่างนี้อยู่อยู่หลายครั้งฝันร้ายอยู่เรื่อยแล้ววันหนึ่งก็คุยกับเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนเด็กๆ เ, เขาก็ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงมันมีอาวุธไหมเด็กคนนี้ก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะวันหนีตลอด ก็เลยเกิดความสงสัยเออแล้ววันหนึ่งก็ฝันแบบเดิมอีกปีสามมันหลายตัววิ่งไล่กันหนีหนี้นี น, นี้ออกมาพอหนีเข้าบ้านมันตามมาอีกฉากเดิมๆจะปิดประตูมันก็ปิดไม่ทันมันก็กลูเข้ามาวิ่งจนทั้งไปเจอผนัง เจอผนังก็ตกก็กลัวขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันพอหนีไม่ได้มันก็จะปีศาจก็จะเข้ามาประชิดตัวตกใจแต่แล้วก็นึกเหมือนได้ว่าเราไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนี่ก็เลยหันกลับมาหันกลับมาดูมันชัดๆหน่อยพอหันกลับมาดูมันมันก็หยุดเลยปีศาจไลุด แลก็ดย้อนอย่า ง, ง, ง, งย้องอย่า ง, งอยู่อย่างนั้นแหละไม่กล้าเข้ามาประชิดไม่กล้าเข้ามาขย้ำแล้ว่อยมันชัดๆก็เออก็พบว่ามันก็คือตัวการ์ตูนที่อ่านตัวการ์ตูนในหนังสือที่อ่านก่อนนอนหน้าตามันเหมือนกันเลยก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องเอาการ์ตูน ที่อ่านเนี่ยไปฝันแต่ฝันแล้วเนี่ยเนื่องจากหนีมันตลอดยิ่งหนีมันยิ่งลายิ่งหนีมันยิ่งมีอำนาจทำให้เรากลัวแต่พอหันมาดูมันมันก็ยอมแพ้เลยเนีย่ยพ่ายแพ้ต่อการดูหรือการรู้ คนเราก็มักจะเป็นอย่างนี้คือหนีอยู่เรื่อยถ้าหนีไม่ได้ก็สู้แต่โดยที่ไม่ได้คิดที่จะเออดูมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรแคดูมันเฉยๆไม่หนีแล้วก็ไม่สู้แต่ว่าอยู่เฉยๆรู้เฉยๆถ้าเท่านี้นี่มันก็หมดอำนาจไปได้นะ แต่รู้ก็ต้องรู้ให้เป็นนะไม่ใช่รู้แบบจ้องนะมันก็โดยมันหลอกโดยมันล่อหรือถลํมเข้าไปใหม่ๆก็รู้แบบว่าเออรู้แบบไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจมันไม่รู้ไม่ชี้แค่รู้ว่ามันมีอยู่เหมือนกับรู้ว่าหมาเนี่ยมันเล่นงานก่อควณกัดเฟอร์นิเจอร์กัดนะ กัดพรมอือชีก็รู้แต่ว่าเฉยๆนะไม่โกรธไม่โมโหเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้ไปเองเนะพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับมือกับไอ้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีกดข่ม พยายามไปสู้กับมันแต่ยิ่งสู้มันก็ยิ่งติดลมนะเหมือนนักมวยนกมวยนี่สู้กันไปสู้กันมาก็คลุกวงในพอถูกต่อยหมัดสองหมัดก็เอาละก็จะวิ่งจะเข้าไปบก ประชิตตัวแล้วก็เข้าไปต่อยเอาคืนแรกหมัดกันจนกระทั่งถึงขั้นพันตูกอดกันกรรมการมาห้ามก็ไม่ยอมไม่ยอมแยก ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าต่อยแล้วเจ็บ ท, ทั้งที่รู้ว่าสู้แล้วมันปวดแต่ก็ไม่ยอมเลิกสู้กรรมการมาบอกให้แยกก็ไม่ยอมเพราะมันมัน มันติดลมั้งให้ปวดนะแต่ไม่ยอมแยกไม่ยอมหนีพอโกรธนะก็โกรธก็จะเข้าไปพันตูแล้วก็โดนต่อยโดนถลุงอันนี้เพราะว่าลืมตัวลืมตัวด้วยหนะ้าองความโกรธแต่พอ พอมีสติก็รู้ว่าโอ้เรานี่โง่แท้ๆไปพันตัวกับมันทำไมเจ็บเปล่าๆพอมีสติรู้ตัวก็ไม่แล้วไม่เข้าไปสู้กับมันแล้วนะอยู่เฉยๆไอตอนไม่มีสตินี่มันอยากจะเข้าไปเข้าไปต่อยเข้าไปสู้เข้าไปเพราะอยากจะแก้แค้น แต่ยิ่งทำชนะก็ยิ่งเจ็บยิ่งปวดยิ่งมีบาดแผลนะพอมีสติรู้ก็ไม่แล้วไม่ยุ่งด้วยเห็นโทษของการพันตัวเห็นโทษของการพยายามก็ไปไล่ล่าต่อสู้กับมันนี่เราก็ต้องฉลาด่จะไปอย่าไปยอมอย่าไปให้อย่าไปยอมอย่าไปเชื่อการยุยยุของมัน มันจะดา่ามันจะว่ามันจะสบประมาทยังไงเราก็ไม่สนใจนัมกมวยเราต่อสู้พ็ะพิมายามยั่วยุฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เข้ามาให้ถล่มเข้ามาจะได้โดนโดนต่อยโดนทุบเนี่ยแต่ว่าเราเมื่อคนที่ฉลาดคนมีสติจะพูดจะยั่วยุสบประมาทยังไงไม่สนใจเดี๋ยวมันก็เลิกไปเอง ใการปฏิบัติให้เราลองปฏิบัติอย่างนี้ดูบ้างที่ผ่านมาก่อนปฏิบัติเราก็ใช้วิธีไม่ได้ใช้วิธีเราก็เผลอตามมันโกโรธพอโกโรธก็มันสั่งให้ด่าก็ด่าพอเกลียดมันสั่งให้ดูถูก ก็พูดจาดูถูกหยาดเย็ดยามเขามันสั่งให้ทำลายเข้าของเอาก็ทำตามมันนี่คือสภาพนี่คืออาการของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติคือทำตามอารมณ์แต่พอมาปฏิบัติก็รู้ว่าอารมณ์พวกนี้เป็นโทษแต่ทีนี้ก็จะใช้วิธีองตรงข้ามคือว่าพยายามต้านมัน พยายามต่อสู้กับมันโกรธก็พยายามกดพยายามข่มเกลียก็พยายามกดพยายามข่มฟุง้งซ่านก็พยายามกดพยายามข่มในขณะที่แตะก่อนนี่ก็ฟุง้งซ่านยังไงก็ใจลอยไปเรื่อยแต่ตอนนี้พอหันมาปฏิบัติเออรู้ว่ามันไม่ดีก็พยายาม สู้กับมันด้วยการกดข่มมันเอาไว้พยายามต้านมันนะอันนี้ก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งทางสุดตรงอีกทางหนึ่งทางแรกคือตามกิเลสตามอารมณ์ทางที่สองคือต้านกิเลสต้านอารมณ์มันก็ได้มันก็ดีกว่าตามนะแต่ว่าในการปฏิบัติอย่างที่เรากาลังทำ ถ้าเราทาเช่นนั้นมันก็ยิ่งฟุ้งซ่าน้าไปใหญ่แต่ก่อนก็ตามมันแต่ถหลังจะต้านมันท่าเดียวเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่ารู้เฉยๆนะอันนี้เราทางสายกลางรู้เฉยๆการต้านกินเลสมันก็ดีนะ การปฏิบัติใหม่ๆก็ เ, เป็นเรื่องการต้านกิเลสการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยจะว่าไปก็เป็นการพยายามต้านกิเลสกิเลสมันอยากเอาอยากมีอยากได้เราก็ให้ทานซะสละออกไปเป็นการสู้กับกิเลสคือความเห็นแก่ตัวความอยากได้อยากเอา ยิ่งมันอยากได้อยากเอาก็สลากไปใหม่ๆก็ต้องต้านมันสีนก็เหมือนกันสีห้า น, นี่ก็เป็นเรื่องความพยายามที่จะกดข่มกิเลสกดข่มความโกรธที่อยากจะไปทำร้ายเขากดข่มความโลกที่อยากจะไปขโมยของเขากดข่มราคะที่อยากจะไปทำไม่ดีทำไม่ถูก กับคนอื่นหรือว่ากดข่มความกดข่มความรู้สึกที่อยากจะไปโกหกกดข่มความความอยากเสพสิ่งที่ทำให้หลงคื อ, อยาเสพติดสุรายาเมาอ่าศี่ห้านี่มันเป็นเรื่องการกดข่มก็ว่าได้นะเพราะท้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ ไปสร้างความเดื อ, รอดร้อนให้แก่คนอื่นสุดล้ก็ย้อนมาถึงตัวเองการทานศีลมันเป็นเรื่องการต่อสู้กับกิเลสเป็นการพยายามต้านกิเลสต้านอารมณ์ใสต่าแต่พอมาถึงขั้นภาวนาจะใช้วิธีนี้อย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันต้องใช้วิธีที่ที่ฉลาดกว่านั้น เหมือนกับว่าเราแต่ก่อนเราเรียนประถมมัธยมเราก็ใช้วิธีท่องจำเอาจำมันตะพฤตะพือนะจำเก่งก็สอบได้ได้คะแนนดีด้วยสมัยก่อนต่อมาก็ใช้วิธีนี่แหละขยันจำขยันท่องนะแล้วก็ยิ่งในเมืองไทยเราก็สอนกันอย่างนี้แหละให้จำแต่พอถึงพอถึงอุ ด, ดมถึงมหาวทิทยาลัย คืนจำแต่พึ่งต่พื้นนี่ก็ความรู้ไม่งอกงามมันต้องวิใช้วิธีใหม่คือรู้จักคิดนะท่องอย่างเดียวไม่พอต้องคิดเป็นรู้จักคิดด้วยถ้าเอาแต่ท่องอย่างเดียวเสร็จในธรรมดนการการปฏิบัติทานศีลภาวนา ฐานสีนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่ต้องเน้นต้องใช้วิธีการกดการข่มการต้านกิเลสแต่พอถึงภาวนาซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้นสูงโดยอพ่อที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานมันใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วใช้วิธีเดิมกดข่มไม่ได้มันต้องมาใช้วิธีที่ฉลาดกว่านั้นก็คือการรู้ การรู้มันเฉยๆไม่ตามแล้วก็ไม่ต้านนะแต่รู้อย่างที่สติปัฏฐานว่าตามเห็นหรือตามรู้กายเป็นประจำตามรู้เวทนาเป็นประจำตามรู้จิตเป็นประจำตามรู้ธรรมตามรู้ตามในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปจ้องจ่อมันติดๆนะแต่หมายถึงว่าทาอย่างต่อเนื่อง มันเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้มันเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้มั น, น, มนไม่ใช่เกิดไม่ใช่รู้ก่อนเกิดแต่รู้ทีหลังมันนะจะไปดักเฝ้ารอนะบางทีเราไปดักเฝ้ารอเพราะว่ามันมารบกวนเรามากเราตามมันตามตะปบตามไล่มันไม่ไม่ทันหลายคนก็จะใช้วิธีมาดักเฝ้ารอดูว่ามันคิดเมื่อไหร่ก็ เบรกมัน ท, ทันทีอันนี้ก็เหนื่อยนะทำอย่างนี้ก็เหนื่อยทำแล้วจะเครียดทำแล้วจะปวดหัวคอยไปจ้องคอยเพ่งมันว่าเมื่อไหร่มันจะโผล่มาสักทีอันนี้เราไปรู้ก่อนไปดักรู้นะก็ไม่ใช่ให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้บางคน กว่าจะรู้ก็อุยมันเกิดขึ้นไปยาวเยียกแล้วก็ไม่พอใจอยากจะรู้ไวๆก็เลยไปดักมันเอาไว้หรือไม่ก็จ้องมันเลยนะอันนี้เรียกว่าทำเพราะอยากจเจ้าชนะเราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ทำตามสบายทำเล่นๆนะหลวงพ่อเทียนท่านก็นเล่นอยู่เสมอทำเล่นๆคือไม่ต้องดักไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่ง มันเกิดขึ้นเราก็รู้มันรู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรกับมัน น, น, นี่เป็นวิธีการปฏิบัติขั้นต้นเลยที่เราต้องฝึกเราต้องผ่านต้องทำตรงนี้ให้เป็นหางคนก็สงสัยว่าไอ้รู้แล้วทำไมมันก็ยังไม่หายฟุ้งเครียดโกรธโมโหรู้แล้วก็ยังโมโหรู้ก็ยัง โกรธนะอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่ารู้เนี่ยมันรู้แบบรู้ไม่กําลังของการกําลังของสติมันไม่แรงพอเหมือนกับว่ารถแล่นเร็วเลยแล้วก็แตะเบรกเบรกไม่แรงพอมันก็เลยยังแล่นต่อไปได้หรือเหมือนกับน้ําที่มันมันก็น้ําที่มันยังอ่อนอยู่มีน้อยไฟแรงฉีดน้ําฉีดน้ําไปมันก็ เปลวไฟก็ดับหรือวูบไปนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ฮือขึ้นมาใหม่พุ่งขึ้นมาใหม่ฉีดน้ํำไปทีมันก็ดูก็สะดุดไปสักพักเสร็ล้วก็ฮือขึ้นมาใหม่นี่เพราะน้ําน้อยแต่ถ้าเราฉีดน้าลงไปทั้งถังเลยโครมเดียวมันก็ดับไปเลยนะก็หมายความว่ามันต้องอาศัยกําลัง หรือปริมาณของน้ําด้วยสติทําไมรู้แล้วทำไมมันไม่หยุดทํามันไม่หายก็เพราะสติยังไม่แรงพออันนั้นก็เหตุผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เพราะว่ามันไม่รู้จริงมันไม่ได้รู้แบบบริสุทธิ์คือมันยังเจือความอยากอยู่คืออยากจะให้มันอยากจะให้มันมันหายไป ไม่ได้รู้ด้วยความเป็นกลางแท้ๆ แ, แต่รู้ด้วยใจแต่มันมีอาการอยากจะให้มันดับมันหายไปมีความรู้สึกไม่ชอบมีความรู้สึกชังไอความไออารมณ์โกรธความฟาุ้งซ่านความอยากจะให้มันหายนี่แหละมันก็ทำให้มันยิ่งไม่หายความอยากจะผลักอยากจะกดข่มมันที่เจืออยู่ ก็ทําให้มันเนี่ยไม่ยอมหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเราจะดับไฟแต่ว่าเราจะดับไฟด้วยน้ำแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ําบริสุทธิ์มันดันมีน้ํามันเจือเข้าไปด้วยพอฉีกเข้าไปแทนที่มันจะดับมันก็ดับอยู่นิดหน่อยแต่ว่าน้ํามันก็เข้าไปทําให้มันคือขึ้นมาใหม่เนาะ มันต้องใช้น้ำบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำที่เจือด้วยน้ํามันให้บางทีการที่เรามีสติรู้เราไม่ได้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆหรืออุเบกขาจริงๆมันมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะผลักอยากจะกำจัดมันมันก็เข้าสูตรมันก็คือว่ายิ่งอยากจะผลักยิ่งอยากจะผลักสายมันก็ยิ่ง ยิ่งเด้งกลับมายิ่งพุดยิ่งโผล่ยิ่งดูก็เหมือนยิ่งยุนะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุวันนะั้นเนี่ยต้องลองดูใจของเราว่าใจเราเป็นกลางจริงหรือเปล่ามันเจือไปได้วยความอยากเจือด้วยความรู้สึกชิงรู้สึกชังกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าลองลองทำใจให้ไม่ให้เป็นกลางคือไม่ชิงชังกับมัน ยอมรับหรือน้อมรับมันยิ้มรับมันโกรธก็ยิ้มรับมันเกลียก็ยิ้มรับมันฟุ้งก็ยิ้มรับมันนะเปลี่ยนดูมันก็จะช่วยแต่แม่ใจก็ให้เริ่มตะล่อมเข้ามาเป็นกลางมากขึ้นบางทีเราต้องเป็นเพื่อนกับมันได้นะสามารถที่เป็นเพื่อนกับมันได้เป็นมิตกับมันไม่ปฏิเสธมันไม่ผลักสยมัน แต่ก็ไม่ได้เสน่หากับมันมากนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆ ค, คลายหายไปเองแต่ถ้าไปอยากให้มันหายไปไวมันก็ไม่ยิ่งไม่หายยิ่งทุ่เสียอยู่ได้นานขึ้นนี่เป็นศิล ป, ปะที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเรื่องของการวางใจซึ่งในชีวิตจริงในชีวิตทางโลกเราอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกแบบนี้เท่าไหร่เราถ้าไม่ตาม้านไม่ตามกิเลกก็ต้านกิเลส เรียนหนังสือต้องใช้การพยายามต้านความขี้เกียจพยายามกดข่มความขี้เกียจมันง่วงนอนก็พยายามฝืนกดข่มความง่วงแล้วก็ใช้วิธีนี้ถึงประสบความสำเร็จในการเรียนถึงประสบความสำเร็จในการทํางานแต่ว่าในการปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนคือการบําเพ็ญทางจิตนี่มันต้องใช้วิธีที่ประณีตกว่าเดิมนะจะใช้วิธีที่ทื่อ ใช้วิธีที่ใช้ใช้วิธีเอากำลังจิตเข้าไปข่มอย่างเดียวไม่พอนะมันมีวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงขนาดนั้นนะแต่ว่าได้ผลเราก็ต้องฉลาดพอที่จะรู้จักใช้ใวิธีการอย่างนั้นด้ว ย, ยาการปฏิบัติจิตสติมันจะเป็นการสอนให้เรารู้จักใช้วิธีนี้อย่างได้ผล มันก็ทำให้เราเลื่อนขั้นทำให้การไปเลื่อนขั้นจากทานสีมาสู่ภาวนานมันมันเกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เกิดปัญญาตามมาในภายหลังเอาลก็พูดกันแค่นี้กระพาพร้อมกัน